ตัณฑาทุนมาหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนกันยายน2534เมื่อคืนนี้ผููเรื่องประจิณอัตกะวันนี้ก็ขอพูดเรื่องพืน้นฐานกรรมฐานคือสมาธิจะคิดว่าเวลา30นาทีคงไม่จบถ้าหากว่าการพูดเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นต น, นี่ถ้าญาติโยมที่รู้แล้วถ้าเราใครก็ขออภัยด้วยนะ ประโยชน์สำญาติยมที่มาใหม่สมาธแิแปลความตั้งใจตามขั้นตอนก็มีเยอ ะ, ยอะแต่ว่าขบรนดาญาติโยมเพื่อนศิษย ท, ทุกคนเวลาทำให้พอใจในอารมณ์ที่ทรงอยู่เวลานั้นจะทรงอยู่ในขั้อารมณ์ไหนก็ตามไม่พอใจในอารมณ์นั้นจิตใจที่จะไท่านเองมีการตุ้มสมาธิขั้นต้นท่นานในวิารนี้ได้สมาธิ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 ให้ใจเข้ากระทบจมูกให้ใจออกกระทบจมูกมีความรู้สึกตามนี้เป็นคานิการสมาธิไม่ได้ว่าสมาธิเล็กน้อยดวงความว่าการสมาธิที่สรงตัวเล็กน้อยก็าตามแก่มากก็าตามยิงน้อยก็าตามก็ถือว่ามีวในสงส์การจเจริญสมาธิที่มีอานิสงส์มากคําว่าสมาธิเล็กน้อยก็หมายความท่าบรรดาญาโยมพุทโธสัตย์ หายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวเราสั้นหายใจออกยาวรสั้นก็รู้แล้วแถมรู้คำภาวนาด้วยก็การทรงตัวรู้แบบนี้เป็นได้ไม่นานสักประเดียวเดียวเอาอื่นก็เข้ามาแทรกคิดตน้นคิดนี่ไปตามเรื่องําราวแต่พอรู้ตัวมาแล้วเราก็เอาใหม่ อรู้อารมณ์พุสร้างเกิดขึ้นก็เอาใหม่กะจับลให้ใจใหม่ภาวนาใหม่ต่อไปทำได้อย่างนี้เป็นแค่เล็กน้อยอาก็ลงรคิตเรื่อต่อไปอีกถ้าทำได้เล็กน้อยเพียงเท่านี้ท่าได้ประกาศิกาสมาธิแล้วขาดิกาสมาธิธรรมดาท่าพระธบริษัทจงอย่าคิดว่าไม่มีอานิสงส์ ก็มีบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทหลายท่านเคยต ร, ร, รัสรู้ไพรทราบว่าจิตใจไม่สงบแต่ความจริงจิตใจของคนนี้ไม่สงบจะสงบเรียบร้อยจริงๆไม่คิดอะไรเลยเลยนั้นไม่ได้ต้องมีอารมณ์คิดเข้ามาแทรกไปขอธรรมดาท่านที่จะทรงอารมณ์ส ง, ง, งบได้จริงๆตามการเวลาที่ต้องการก็คือผู้สรงฌานเป็นอย่างต่ำ ท่านพูดทรงฌานที่ตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะเวลาเท่านี้เราจะไม่นึกื อ, อื่นจะคิดอยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกก็คำภาวนาแล้วพิจนารณาเป็นต้นถ้าหมดเวลาปั๊บจิตจะตกทันทีจิต ก, ก็เริ่มคิดอย่างอื่นอีกอย่างหนึ่งที่หาว่าท่านจะสรงอารมณ์ได้จริงก็คือพระราหารันพระราหันนี่สงอารมณ์แน่นอนเจราะนั้นในฐานะที่บรรดาเป็นพุทธบริษรคยังไม่เป็นพระราหารัน ก็เป็นของธรรมดาที่จิตต้องมีการอารมณ์เยรมแทรกที่เรียกว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดาแล้วการที่เราสามารถสงอรมได้แม้แต่เพียงเล็กน้อยอย่างให้ใจเข้าใจออกรู้อยู่สักสิบครั้งนี่เราสามารถทรงได้แล้วสามสี่ครั้งเราสามารถทรงได้ก็ที่ว่าจิตทรงสมาธิตามที่พระพุทธเจ้าใส่กระปารีบุตรว่าสาธิบุตรดูก่อนสาธิบุตร บุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเราเคากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานคําว่าว่างจากกิเลสก็หมายความว่าขั้นนำไดที่เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ตามเรารู้คํภาวนาอยู่ก็ตามไม่คิดองอื่นเข้ามาแทรกอย่างนั้นถือว่าจิตว่างจากกิเลส ถ้เาเอิมันว่าสักหนึ่งนทีมันก็มากกว่าขนาดจิตหนึ่งขนาจิตหนึ่งแล้มันนิดเดียวแม้จะว่านิดเดียววันหนึ่งพุทธเจ้ายังทรงชมเชยว่าเป็นจิตไม่วางจากฌานจะได้สําหรับท่านพุทธบริษัทไม่สามารถจะทำสมาธิได้ดีกว่านี้จทรงได้แค่อุปจารสมาธิเอานานักไม่ได้เพาว่านานักไม่ได้หมายถึงชั่วโมง อาสักห้าหนาทีสินาทีไม่สามารถจะส่งได้จะมีอะไส่งขั้นไหนคำว่าสมาธิจะพูด ก, ก่อนคําว่าสมาธิเราตั้งใจเช่อตั้งใจอนุสติเขาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าดีกว่าพุทธานุสติตั้งใจนึกถึงว่าธรรมคํำสอนไม่ธรรมานุสติตั้งใจนึกถึงว่าสงป็นสังขานุสติตั้งใจนึกถึงว่าศีลเป็นศีลานุสติ ตั้งใจเรื่องคุณธรรม ม, มิทำบกคนเทวดาเรวยเทวตานุสติตั้งใจจะบริจาคทานเป็นจาคา น, นุสติตั้งใจนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตั้งใจนึกถึงอาการสาริสองเป็นกายกตาตาณุสติตั้งใจนึกถึงวัฏฏิพันธ์เป็นอารมณ์เรียกเรียกอุปัสมานุสติตั้งใจรู้ลมหายใจเกาออกเวนาราภานุสติทั้งหมดนี้ถ้าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ การใจชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีอริสงสำหรั บ, บอริสงคนที่ได้กําลังสมาธิและอุปจาระสมาธิก็ขอยกตัวอย่างให้ฟังถ้าพูดกัจะพาอารมณ์จะราคาญจะวงนอนได้หลับดีกว่าอริสงก็มีว่าในสมัยพ ร, ระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปชนอยู่คนนี้เริ่มตาสว่างะ เริ่ใจสว่างหน่อยนะเวลานั้นอาชาณาวิริยกรเศรษฐีที่เป็นทายกใหญ่ของวัตสัจฉนามีมนางวิสาขาเหมาบาศกาเป็นเป็นเหมาบาชกาใหญ่ก็มีคนไปส่งมาสำหรับทํางานที่บ้านอานาณะวิิยกรเศรษีสมหาเศรษฐีก็บอกว่างานอื่นนนั้มีคนทําพร้อมแล้ว แต่ขาดงานอย่างประเภทเดียวคือวุตตตัดฟืนเธอจะทำได้ไหมคนนั้นเป็นคนจนบอกงานอะไรผมก็ทําครับเมื่อทมหาสตรีรับเธอก็ดีใจอิ่งใจไม่ทันจะกินข้าวข้าวเช้านะข้าวเช้ายังไม่ทันจะกินแล้วข้าวฝานเข้าป่าไปข้าวฝานก็ป่าไปก็ไปตัดฟืนในตอนเช้า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 แม่ครก็ทํากับข้าวกับข้าวเฉพาะเขาคนเดียวเขาเห็นเขก็แปลกใจว่าตอนเช้าเราเชงเฉียงเอะวยวายเขาขอข้าวกันกินมือนขอแกงมึงขอกับมือนขอข้าวยังอี้เป็นต้นแต่เขาไม่ทันจะกินเพ อ, อิ่มใจแต่ว่าตอนเยน็นนีส่สะไยเงียบสงัดมีตราผู้เดียวก็วถามแม่คัวว่าคนทุกคนไปไหนหมดถ้าทําไมไม่มีใครกินข้าวตอน เ, ย, เอย็นกันล่ แม่ครัก็บอกว่าวันนี้เป็นรรวันพระวันพระท่านมหาเศรษีให้ทุกคนในบ้านนี้รักษาอโบสถดสินโบสดศรีลได้กินข้าวหลังเที่ยงไม่ได้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีใครเขากินกันทีนี้ท่านมหาวันทุกขะคือว่าลูกจ้างคนนั้นก็มีความรู้สึกกระใจว่าแปลกใจอโบสถเป็นยังไงจึงถามว่าอโบสดศรีลเป็นยังไงแม่ครัก็บอกว่ า, วามีสีขาวบทแปด ถ้าถามว่าปฏิบัติแบบไหนเมื่อครูก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจถ้าจะรู้จริงๆให้ไปถามท่านมหาเศรษฐีเพราะว่าเวลานี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วตอนเช้าท่านไม่ได้สมาทานถ้าสมาทานเวลานี้ก็เป็นโบสดชึ่งวันจะได้หรือไม่ได้ ए, ฉันไม่ทราบเขาก็ไปหาท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็แนะนํา ว, न, าาว่าโบสดต้องเสียรักษากันวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง แปลว่าถ้าไม่สามารถจะรักษาได้ต่อวันตใอคืนเขาสาวบว่าครึ่งวันก็ใช้ได้ก็มีอันนี้สองเขาก็ขอให้มหาเศรษฐีอธิบายต่อพระสัจสินเมื่อเขารับสื่อข่าวบทมาจากามหาเศรษฐีแล้วก็เลยไม่กินข้าวตอนเย็นเปลว่าวันนั้นทั้งวันเขาไม่ได้กินข้าวแถมเหนื่ยการตัดปืนด้วย พอตอนดึกขึ้นมาความหิวก็เกิดขึ้นลมก็กำเริบขึ้นอาการไม่สบายป่วยป่วยหนักมีคนรับใช้มาบอกท่านมหาเศรษฐีเขาลูกจ้างที่มาอยู่ใหม่สกำลังป่วยหนักรมแรงลมกำเริบขึ้นปุ๊บจบเสียดหนักก็มหาเศรษฐีก็นำอาหารอย่างดีมีรสชาติอย่างไปชักชวนให้เธอกินพอให้กินข้าวแล้วเธอจะได้หายจากโรคโรคมันเกิจากความหิว แต่พลังเรย์บอกว่าความดีหนึ่งวันผมไม่สามารถจะทําได้ในเมื่อผมปฏิบัติความดีเป็นแค่ครึ่งวันถ้าครึ่งวันไม่สามารถทําได้ผมถือว่าผมเร็วเกินไปทัพมหาสตีก็บอกว่าไม่เป็นไรวันอื่นยังมีอยู่อีกตั้งเยอะแยะไม่ใช่มีวันนี้วันเดียวให้กินข้าวเสียแล้ววันหลังถึงวันวัวหวาสิงก็รักษ า, าโอสถใหม่ได้เขาก็ไม่ยอม เขาบว่าถ้าไม่สามารถจะรักษาได้ก็ยอมตายเพราะเขารักษาศินก็เป็นว่ า, า, าธรรมะสติก็จนใจแล้ไม่เขาไม่จริงเขาต้องกลับเมื่อกลับไปนสมาธิของเขาบรรดาแต่พววุทธบริษัทสมาธิของเขาวันนั้นก็จะเป็นศีล า, านัสติกรรมฐานเพราะเขานึกถึงศิลตัวตัสินที่เขารักษาแปประการในทีนี้แบบที่เาบท เป็นสีลาลุติกรรมสายขอบันดาลให้บริษัททุกคนใช้กำลังใจคิดว่าคนที่กำลังปวอยู่อย่างนั้นจะภาวนาแลนึกถึงถึงถึงสินตลอดเวลาได้ไหมมันต้องอืดมันต้องเสียดเจ็บเนิ่มปวดนี้อาการปวดอาการเจ็บก็เกิดขึ้นบางถ้ามันคลายตัวมาก็นึกถึงสินได้ชั่วขณะเดียวถ้ามันเสกมาณ์ก็ทิ้งศิน ถ้ามันคลายตรงนิดนึงก็นึกึสิ่ได้โดยธรรมดาก็เป็นว่าสมาธิข อ, ท, ขอท่าคุชายคนนั้นก็ได้แค่คณิกาสมาธิคืสมาธิเล็กน้อยในตอนชาเมเขาก็ตายดวงจากความเป็นคนเป็นคนแลไปผีที่นว่ตายจากความเปนคนก็ไปเป็นผีผีอะไรรู้ไหมผีต้นไม้เออเป็นลู ก, กเทวดาอไอสองสิตอนนะคณิกาสมาธิ สมาธิเล็กน้อยเขาก็เป็นลูกปริวัดาแต่ว่าเป็นลูกปฏิวัดาที่มีอานุภาพมากเพราะใส่นึกสินเป็นอารมณ์ในวันหนึ่งบรรดามหาท่านฤาษีทั้งหลายหสิบรูปตั้งใจจะไปบ้านมหาเศรษีที่หนึนหมดว้เพราะเาดูแลขอท่านฤุษดาบททั้งหมดนี่ไปอยู่ข้างๆบ้านเขาจะทำบุญ แต่เมื่อมาระหว่างทางเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งมีพุ่มสวยดีก็เลยเข้าไปพักพักกะลมเรื่นดีก็นนี้หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าราสีส<ะ>ก็คิดในใจจะ ค, คิดส่งเดชน ะ, ะแต่ความจริงไม่ยังไม่ได้พิญญาจะคิดไปเฉยว่าต้นนี้มีสาขาใหญ่มีใบหนา คงจะมีเทวดารักษาอยู่ที่ไม่เปภาพมากฉะนั้นถ้าเทวดาที่รักษาต้นไม้ต้นนี้มีความเมตตาในพวกเราเวลานี้พวกเราเดินมาร้อนจัดมีความกระหายน้ามากอยากจะดื่มน้ำที่สะอาดจากคนละแก้ว<ม>เทวดาก็มีเมตตามาคนละแก้วแล้วแก้วเราตั้งอยู่ข้างหน้าแก้วน้ำตั้งหน้าใสา่แถวเหมือนกัเหมือนนําตาสิง นีเขาไม่แจ้งโฆษณานี่ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีทั้งแก้วน้ำก็กินสบาย<น>พอกินแล้วหายก็หายหายอยากน้ำก็คิดต่อไปไอ้คนมันไม่จบแบบนี้ค<น>คิดว่าถ้าเทวดาที้เราต้องการน้ำเธอก็หาน้ำให้ต่อไปขณะนี้เราเดินทางมาหิวโหวยมาก<น>อยากจะได้พร ะ, อ ะ, พระไอ้ผลไม้ผลไม้มาบริโภคถ้าหาว่าท่านมีจิตเมตตาขอาบันดาลผลไม้แปรกส เจ้ดาก็บรรดาลผลไม้ปรากฏพอเรียกว่าพอกรบรรดาฤาษีนะกิ้งอิ่น้ำสําราญดีแล้วนอนแข็งนอนไปพักหนึ่งนึกกันมาได้ไอ้พวกเราโดยมาเหงื่อใครบรหนักเหงื่อใครมากถ้าได้น้ําอาบก็จะดีนึกว่าขอเทวดาได้โปรดสงเคราะบรรดาให้สาบน้ําเกิดขึ้นสาปุกภณีน้ําใสๆเพื่ออาบเพราะเป็นั้นว่าเทวดาก็บรรดาสาปุกภณีเกิดขึ้น ไฟน้ำอาบไฟใสสบายใจหลังจากนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายก็นึกในใจว่าบรรลึกพร้อมกัน เ, ออเขาเป็นฤาษีเนขะามีสิ่งเขามีสมาธิเขามีฌาน เ, ออเขามีความเออขารู้คุณเขาบุคคลว่ามีคุณเพราะว่าเทวดาได้มีความเมตตาในเรามากขึ้นหนึ่งเราต้องการกินน้ําก็หาน้ํามาให้โดยการในสองต้องการผลไม้ก็ห า, า, หาผลไม้มาให้ เป็การที as, prove, bah, ่สามต้องการอาบน้ำก็สร้างสาวุคณีให้อยากจะเห็นเทวดาอยากเห็นเทวดาขอเห็นเทวดาเทวดาก็จนใจแสดงตัวให้เห็นรอบด้วยวิมานวิมานสวยมากเลือเสียวิมานเทวดาก็ตกใจเทวดาก็สวยวิมก็สวยไหมถามว่าท่านผู้เจริญอยากจะทราบว่าในสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านทําบุญอะไรไว้ ยังมีอนุภาพมากอย่างนี้ยังไม่เคยเห็นเทวดาจรินอนุภาพมากอย่างนี้วิบานใหญ่แบบนี้ก็สวยแบบนี้แสงสว่างมากอย่างนี้ไม่เคยเห็นมีต้องการอะไรก็สามารถบรรดาลได้เทวดาเนี่ยเทวดาไอเทวดาไอฤศีก็เป็นทั้งว่าะเสียอ่อนหวานท่านเลยบอกตามความจริงว่าสมัยที่ผมเป็นมนุษย์ผมเป็นคนจน ผมไปรับจ้างท่านบัณฑมหาเศรษฐีอะไรบุญกะเสรษีเป็นคนตัดฟืนอเนี่ยเวลาไปสมัครงานยังไม่กินข้าวเช้าไปพอท่านมหาเศรษฐีรับให้เป็นลูกจ้างตัดฟื่อก็อิ่มใจเกิดปีติลืมกินข้าวเช้าคิด ว, ว่านัดเจอันวันนี้เป็นต้นไปเรามีข้าวกินแน่ขอให้เท่าไรเนียังไม่รู้แต่มีข้าวกินเป็นพี่พอใจนะก็นํำฝันไปตัดฟืน วันทั้งวันไม่ได้กินข้าวกลับมาก็รักษาโบสถศรัศิลแค่ค่อนคืนมาเกิดโรค ก, กําเริบขึ้นในสตอนใกล้ร่งก็ตายเพราะตายจากความมีความว่าอาศัยนึกถึงศิลเป็นอารมณ์เพราะว่าอารมณ์หมายว่าว่าถ้าอาการอึดเสียดลดตัวลงมันนึกถึงศิลเกิดเสียดมากขึ้นจะลืมศิลไปแต่ว่าอารมณ์เขาิตมันไม่ปล่อย ยิงสินเรื่บรรดาให้มาเกิดเปเตวดาพระสมาธิเล็กน้อยตอนนี้เจษสีก็ถามว่าถ้ามหาสติรักษาสินจากใครเซวดาบอกว่าจากพระพุทธเจ้าเในนามพระพุทธสมณโคดมเวลาดังเคยยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็เพราเกิดใหม่บวชใหม่ๆนะพอฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกก็ดีใจถามว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนเซวดาก็บอกอยู่ทิศโนดอยู่เมืองโน้ดนะบอกสถานที่ให้ด้วย เสดสีทั้งหมดกระลุกกรน่าฉะนั้นกราบสามครั้งก็เลยตัดสินใจว่าทุกคนเราไม่ไ ป, ไปบ้านมหาเสดสียอมเสียสัจจะทิ้งสัจจะไม่ยอมไปบ้านมหาเสดีนะตั้งใจไปฝ้าผูา้พระเจ้าขอเห็นพระเจ้าข้าพระเจ้าทรงเทศโปรดจบเดียวทุกอง์ไปพระราหันหมดนี่เป็นว่าธรรมดายาโยามพุทธบริษัทถ้าทําสมาธิได้แค่ขณะสมา ธ, สมาธิสมาธิเล็กน้อยใช่ไหม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 ถ้ามีการกุ้มขึ้นมาเมื่อไรก็เลิกเหมือนั้นอย่างนี้อดีสงอย่างน้อยก็เหมือนกับรุกเทวดาองนั้นนี่เฉพาะสมาธินะถ้าอดีสงสังฆทานนี้ท่านทําแล้วอย่างอีกต่างหากอดีงที่เคยบูชาพระอีกต่างหากเคยเคยใส่บาตรไอต่างหากเคยให้ทานกันคนให้ทานกับสัตรย์อีกต่างหากอสงไม่มีเฉพาะนี่นะนี่โชว์เะสมาธิอย่างเดียวอดีศงสังฆานนี้นะั่นก็เป็นลูกเทวดาใช่ไหม ยังไม่ใช่อากาศเทวดาอริสง์สังฆทานนีถ้าท่านนึกถึงอยู่เสมอเป็นจาคาดนุติกรรมทานและไปทานนบรารมีคือไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธินึกว่าเราเคยถวายสังฆทานกับพระและตั้งใจต่อว่าเราจะให้ทานกับพร ะ, ะหรือทานกับคนหรืทานกับสัตว์ต า, างมที่เราจะปรึให้ได้อยางนี้เป็นจาคาดนุติกรรมทานด้วยและผลก็ทานเป็นทานนบรารมี แต่สังฆทานเมเนงสงใหญ่ที่กล่าว่าการให้ทานพระเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าอัถวายสังฆทานหนึ่งครั้งใช่ไหมนี่พระอาดิสงถวายสังฆทานนี่ไปเกิดที่ไหนรู้ไหมสวรรค์ชั้นที่ห้าที่เรียกวันมีมาโนดีสูงมากสูงก็เดาดึงไอเดียไอสงใหญ่แดงเพชรเม็ดเล็กแต่ราคาแพงอย่าลืมเห็นว่ามินิสังฆทานร้อยเดียวนึกว่นื้ก็จะได้ส่งจะว่าตั้งร้อยเลยถ้ามีสลึงเดียว เอาใส mm ่ซองมาเคียงหน้าบอกกับสังฆทานเกี่ยงนี้ก็เสวรรค์ชั้นที่ห้าเหมือนกันอไอ้ที่ข้าไม่น่าพูดครับนั่นเลยขาบทุนมหนห่อพูดไปแล้วไปเดือนหน้าจะเหลือแค่หลึ่เดียวหมดเลยเอนหน้าเรามาเพิ่นใหม่เพิ่นใหม่เป็นใหม่เอาเอาสลึงทองคํำ ยิ <DD D"> ่ง <últ> น <chair> ักกระสุดนี้อีกเลยแม่เสียผ้าไม่น่าผุดระยำปากมันไม่ยั้งตัวไป็นไรครับคิดว่าไป็นสลึงทองคำไก็แล้วกันก็ใบบานนิดนิดหน่อหน่อยก็ตามนะอย่างบรรดาญาโยมพุทธุสั์ไปเจอพระท่านใช้ข้าวตัาสีองค์ขึ้นไปเอาซื้อกาแฟแล้วโอเลี้ยงไปถวายหนึงแก้วหรือนุ่งแข้งกล่าวก็ได้น้ำขวดก็ได้ถวายท่านถวายเข้าไปเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งหมดมันเป็นสังฆทานพอถ้าพระตัณสีองค์ไปไม่ต้องกล่าว ถ้าว่าน้อยกว่าสี่องค์ต้องบอกว่านี่สังฆทาน อ, อย่างที่นี่เราเรียน ล, ลักษณะสงังฆทานมีแล้วนะแปลรู้กันแค่หนึ่งองค์สององค์สามองค์นี่ถือเป็นผู้แทนสมท่านเองอตัวเองไม่มีสิทธิ์ตั้งนี้จะตั้งทุกบาทที่บรรดาญาติโยมพุทธศัพท์ทําบุญมาบางท่านเขียนทําบุญโน้นทําบุญนี่นี่ใช่เรื่ของสองฆ์แน่รางท่านบอกถวายหลวงพ่อไปส่วนองค์ แต่ว่าอาตมาก็ตัดสินใจว่าเงินทุกสัดส่วนที่ได้มาเป็นของสองฆ์หมดไอชาตินี้ยังไงไงก็มีกินแล้วคนต้องให้บางคนนี้ให้มาเรามีกินชาติหน้าเราจะกินที่ไหนถ้ารู้ก็เป็นพวกเราคนเดียวพวกนี้ไปเป็นมหาเศรษฐีหมดฉันก็ต้องไปเกิดเป็นหมาเศรษฐีอะอะไรนะมหา<笑><笑>มาเศรษฐีสมไยก็ถือไปขอส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวเก็บไปหมดเนะก็ม<อ>ันไม่ไมีในสงฆ์ ตอนนี้ในเมื่อเขาให้มาแล้วบอกว่าดี่เป็นของส่วนตัวฉันก็รั บ, บ, บเขาก็ะดาษไอสงว่าเป็นของส่วนองค์ส่วนตัวไอ้สงก็มีอยู่เขาเรียกว่าี่ปุริสสถานนะตอนนี้ถ้าฉันนรกว่าเป็นของสงเขาจะมีสงเป็นสังฆทานทันทีไม่ต้องรู้ถ้าฉันะไปก่อสร้างเขาจะมีออ้สงเป็นวิหารทานทันทีนทข้อนี้หลวงพ่อปายเคยสอนไว้เมื่อวันบวชวันแรก ว่าญาติโยมให้สตังมาหนึ่งบาทจงอย่าใช้แต่ผู้เดียวเพรว่าหนึ่งให้แบ่งเป็นสังฆทานใชบ้างเป็นวิหารทานใช่บ้า ง, เ ป, าาปางเป็นส่วนตัวใช่บ้างส<ะ>แส่งส่วนแต่เข<ะ>า<ะ>ถามว่าเกคยถามนอกว่าเจ้าของเขาไม่รู้ครับว่าผมไม่ทำแบบในขยเบียนที่ออสองไหมท่านถามว่าสตังเขาใครแล้วต่อมาเมื่อฉันทากรรมฐานได้แล้วไปหาพรนะเจ้าฉันนะท่านก็แนะนําแบบนี้ แนะนำเหมือนการถามท่า น, านเราทั้งกรถามว่าเงินของเขาบัญช่องของเขาเราไปทําแล้วมันก็จําเป็นที่ต้องได้ด้วยก็เป็นว่าทุกขอทุกคนจนมั่นใจในความดีของท่านว่าโดยเฉพาะอย่างยิง่งในอริสงสมาิคติกาสมาธินะสมาธิเล็กน้อยน ะ, ะตายเป็นลู ก, กเทวดาได้แต่ว่าเเทวดาที่มีสมบัติมากเมนุภาพมากในการที่สองอริสงทุกท่านที่รักษาศีลเป็นประจํา รักษาม่ทุวันก็จังเถอะมีสิ่งก็แลกกันะะะจะเรียกว่าศีเลนสุกติยันติคนที่เคยรักษาศีลตายอยู่สุดุคติมีโลกสวรรค์เบื้ต้นศีเลนะโพสมุทาถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะร่ำรวยมากศีเลนี่ตพธิญญติจะปฏิบัติง เ, งตเองง่ายนี่อริสงที่จะไหวสังฆาทานของท่านอย่างน้อยที่สุดจะพ้าสังฆาทานก็นไปเกิดชั้นนิมานะรีชั้นที่ห้า ที่เบียร์ในสงฆ์นนะจง<ะ>วาวว่าทุกคนสร้างความดีมหาศาลไม่แล้วฉะนั้นทำใดที่องค์เส้เด็จพระบุตรแก้วทรงสั่งสอนไว้ว่ า, ว, าว่าให้ทุกคนถึงถึงวันนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากแต่ทำไมจะบอกไม่ยากเพราะว่าถ้าเราเกิดเป็นเทวดาจะเป็นลูก็เทวดาก็ตามอากาศเทวดาก็ตามสักไม่กี่ปีเป็นเมืองเทวดาถ้าเสียอานก็ตรัสทั้งนี้ถ้าทุกคนไม่ประมาทในชีวิตคิดว่า โลกนี้เป็นทุกข์ทว่าโลกกับพระวโลกไม่มีสุขจียงสุขไม่นานไม่ชาติหมดบนวาสนาบารมีถ้าเราตายจากคนชาตินี้เราขอไปนิพพานถ้าบังเอิญไปนิพพานไม่ได้จริงๆก็รับที่เทวดาท่านผอมสวนนกกรรค์ท่านผอมใช่ไพอพระเียอันตรัตถายาเรายังไม่ได้ไปโสดาบันจะเป็นปโสดาบันทันทีต้องเทศจบเดียวจบด้วยสองก็ไปพระลานาะกลับนี้ยังมีพระเจาา้ามัยหกองค์ พระศรีอานไปองค์ที่ห้างชุดแรกก็มีพระรามขึ้นต้นชุดที่สองก็มีช่างปฏิรยเอไปอง์ี่ห้าเป็ุดที่สองางปฏิรัยเเวลานี้อยู่ที่กรุงเทพนี่เกิดสะนคเเกิดแล้วเครับเกิดแก่แล้วแก่แาดันนะศรพระห้ามถามวัดครับไม่บอกไม่บอกไบอกไม่บอกเล่าสุนตาบับไปสมันั ครับครบครพ่อไม่บอกนะวัดสมัตนะไม่ไม่บอกไม่บอกเขาไปดิ้งได้นาเปียนนะครับไม่บอกวัสมัเอาความนักุเปิดเผยหนักครับไม่ได้ครับไม่ได้มสมณัตครับจะอุนะเออไม่ได้ครับครับอ่าแย้เยมัรวสั้งหลายตอนนี้ไปแต่งแกสมาทานศิษย์สมาทานมมาานสาธุ